บ้านผสีสำหรับการสิงสู่ของวิญญาณของบางคนหน้าที่ที่ตนได้เคยประกอบอาชญากรรมไว้แต่เดิมก็ดีหรือหน้าที่ตนได้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมโดยที่ยังไม่ได้รับการตอบแทนแก้แค้นก็ดีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเองส่วนมากวิญญาณเหล่านี้ถูกอำนาจแห่งจิตหรืออารมณ์ของตนเอง ดึงให้อยู่กับที่นั้นอย่างถอนตัวไม่ออกทีเดียววิญญาณเหล่านี้มักจะยังคงสวยอารมณ์เช่นเดียวกับที่ตนได้เคยสวยมาแล้วในการก่อนคือในสมัยก่อนที่ตนจะถึงแก่ความตายจากโลกมนุษย์นั่นเองคืออาจจะเป็นอารมณ์โกรธแค้นพยาบาทอย่างรุนแรงหรือหวาเสียวตกใจและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสซึ่งเป็นขณาดจิตสุดท้ายของตนก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเข้าสู่โลกทิพย์ดังนั้น อารมณ์อันรุนแรงเช่นนั้นจะยังคงรอบงำหรือ ห, อหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเขาจึงมีความปรารถนาอันเร่าร้อนที่ต้องการจะแก้แค้นบ้างหรือต้องการจะทำอาชญากรรมอันรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอยู่เรื่อยไปความปรารถนาและอารมณ์อันรุนแรงอย่างเหลือเกินเช่นนั้นจะทำให้เกิดกระสาจิตที่รุนแรงสืบต่อกันเรื่อยๆและจะทำให้เกิดผลต่อมาคือเป็นเหตุให้เกิดภาพแห่งอาชญากรรม รุนแรงหรือชั่วร้ายนั้นปรากฏเป็นภาพฉายพลุ่งออกมาจากจิตของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าและภาพฉายที่เกิดจากมโนภาพและความกดดันแห่งอารมณ์อย่างรุนแรงนี้จะเกิดขึ้นในทานองเดียวกับที่เคยเกิดมาแล้วจริงๆในโลกมนุษย์นั้นไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นอาชญากรรมที่ได้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อเวลานานมาแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมนั้น ก็ได้ตายตามกันไปแล้วนั้นก็อาจปรากฏเกิดขึ้นเป็นเสมือนภา พ, พยนตร์าที่เดิมนั่นเองและในทำนองเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองโดยไม่ผิดเพี้ยนเสมือนหนึ่งว่าได้ถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกภา พ, พยนตร์ฉะนั้นภาพเหตุการณ์อันรุนแรงเช่นนั้นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อกับโอปปาติกะหรือที่เรียกว่าผู้ที่มีตัวคือสายตาเป็นสื่อก็อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจน ในเมื่อย่างเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นและในบางโอกาสแม้ผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติดังเช่นว่านั้นก็อาจจะบังเอิญเห็นได้บ้างเหมือนกันซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแห่งจิตของเขาในขณะนั้นสาเหตุดังกล่าวมานี้เองที่ทำให้เกิดการเล่าลือกันทั่วไปว่าสถานที่ที่เคยมีความตายอย่างรุนแรงคือตายโหง มักมีปีศาจสิงสู่อยู่และคอยหลอกล่อนผู้อื่นอยู่เสมอผู้ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมในสถานที่นั้นมาตะกอนเลยหรือไม่ได้มีสันดานเป็นอาชญากรรมมาตะกอนเลยเมื่อย่างเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นก็อาจจะรับกระแสความรู้สึกของวิญญาณที่สิงอยู่ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะถึงอย่างไรสภาพจิตของบุคคลก็เป็นสภาพที่ไหวไปตามอารมณ์ได้เสมอไม่มากก็น้อย ดังนั้นได้บางครั้งจึงสามารถได้รับการบันดานใจจากกระแสจิตอนันรุนแรงของวิญญาณที่สิงอยู่ในที่นั้นได้บ้างเหมือนกันอันที่จริงในเรื่องของการที่วิญญาณสิงสู่อยู่ในสถานที่ต่างๆที่เรียกกันว่าบ้านผีสิงเป็นต้นนั้นชาวโลกมนุษย์เองสามารถจะช่วยได้มากทีเดียวหากเขาจะสนใจและให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้วิญญาณที่ต้องทนทุกทรมานอยู่นั้นได้พ้นจากนรกของเขาเสียทีแต่โดยมากพอเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นชาวโลกมนุษย์ก็คิดกันว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนสืบสวนกันอย่างขนานใหญ่ว่าจะมีผีสิงจริงหรือเปล่าและต่อจากนั้นก็จะมีรายงานต่างๆนาน า, นาจากผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองและเมื่อพิสูจน์ได้ว่า มีปรากฏการที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นอันจบเรื่องกันแต่นั้นเองไม่มีใครเลยที่จะคิดหาวิธีหรือนึกถึงว่าจะมีหนทางช่วยเหลือวิญญาณที่เสิ่งอยู่หน้าที่นั้นๆได้อย่างไรตกลงก็เป็นอันว่าวิญญาณที่เป็นต้นเหตุแห่งการสอบสวนและเกิดปรากฏการต่างๆเหล่านั้นก็ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เช่นเดิมตลอดไป ถ้ามนุษย์รู้ถึงวิธีการที่จะช่วยเหลือวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้นบ้างในชั้นแรกก็ควรจะสืบหาสาเหตุของการที่วิญญาณเหล่านั้นได้มาสิงสถิตหรือปรากฏกายให้ผู้อื่นเห็นเสียก่อนและต่อจากนั้นก็ควรอธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนให้แน่วแน่เช่นนี้ก็อาจจะทำให้ปรากฏการอันทรมานของวิญญาณเหล่านั้นยุติลงได้ และเมื่อรู้สาเหตุความเป็นมาแต่เดิมแล้วก็มีหนทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่วิญญาณเหล่านั้นได้ถูกตามจุดหมายอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณเช่นนั้นยังมีความผูกพันในทางใจกับโลกมนุษย์มากเหลือเกินจึงกล่าวได้ว่าเขาอยู่ใกล้กับชาวโลกมนุษย์ยิ่งกว่าอยู่ใกล้พวกเราชาวโลกทิพซ์อีกเมื่อเขาได้รับคาอธิบายให้เห็นเหตุผล และสภาวะที่แท้จริงจากชาวโลกมนุษย์จนเข้าใจดีแล้วต่อจากนั้นเราชาวโลกทิพย์ก็จะได้รับภาวราช่วยเหลือเขาต่อไปโดยจะได้พาเขาไปเสียให้พ้นจากสถานที่และอารมณ์ซึ่งคอยรบกวนจิตใจของเขามาช้านานนั้นเสีย